ภัยที่มันบั่นทอนชีวิตของผู้คนข้างนอกนี้น้อยนะแต่มันมาจากข้างในก็มาจากโรพะโทสะโมหะมาจากอารมณ์นะความเครียดความโกรธความกลัวกดกรุ้มใจความน้อยเนื้อต่ำใจ ให้พวกนี้นี่มันสามารถที่จะนำพาหรือผลักผู้คนให้เจ็บป่วยกลัดกลุ่มหรือว่าถึงกับทำร้ายตัวเองได้คนทุกวันนีความเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่เกิดจากภัยภายนอกนะไม่ใช่เกิดจากโรคติดเชื้อแต่เกิดจากความเครียด ก็าทำให้เกิดโรคมากมายความดันโรคหัวใจมะเร็งคนที่เราทุ ก, กันทุกวันนี้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกมากเท่ากับปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่เพียงแต่เราจะต้องระแวงระวังสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ต้องกลับมาดูใจด้วย เราต้องมันกลับมาดูใจของเรา บ, าบา่อยๆนะมันย้อนสอนมันย้อนทิศนะจากที่เคยทําเป็นปกตินิสัยปกตินิสัยคือจ้องระวังเพลงออกนอกนะเราต้องกลับมาดูใจด้วยนะอันนี้เราเป็นการทวนกระแสอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็เป็นการทวนกระแสที่ง่ายกว่าการทวนกระแสกิเลสนะ แต่มันก็ส่งเสริมนะเพราะถ้าเราหันกลับมาดูใจแทนที่จะส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจของเราอย่างสม่ำเสมอทรวดเร็วฉับไวมันก็จะช่วยทวนกระแสลดทอนอำนาจของกิเลสหรือโลภะโทสะโมหะได้ด้วยคนเราพอมีอะไรมากระทบเนี่ยนะ จิตมันพุ่งออกนอกนะมันใช้แต่ตาเนื้อแต่ลืมตาใน เ, าเราทุกคนนี่มีตาในนะคือมีสติที่จะกลับมาดูใจของเราแล้วก็รักษาใจระ ว, ว่าระวังจิตใจไม่ให้อารมณ์นะที่เป็นอกุศลครอบงำพระตัวเจ้าท่าใช้คำว่าอันตรายที่ปกปิด อันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยก็คือพวกสิ่งสาราสัตว์นะพวกภัยธรรมชาติแต่อันตรายที่ปกปิดคือมันมองไม่เห็นแล้วก็มันแต่มันคอยซุ่มโจมตีเราอยู่ไม่มได้โจมตีที่ไหนโจมตีที่จิตใจเราจะรักษาใจให้ปลอดจากอันตรายอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีสติกับมาดูใจเสมอ สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเลยนะมันทำยากนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมุ่งออกไปรับรู้ภายนอกแล้วก็แสวงหาแต่สิ่งภายนอกตลอดเวลาเช่นทรัพย์ชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จิตใจก็รุ่มร้อน รุมร้อนเพราะความโลภรุ่มร้อนเพราะว่าความโกรธมีอุปสรรคขัดขวางก็ไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมาครั้นสูญเสียก็เศร้าใจถ้าเรากลับมาดูใจนะไม่ใช่มุ่งแต่แสแวงหาภายนอกแต่กลับมาดูใจ ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะครอบงมจิตใจเราไม่ได้แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่จะขจัดปัดเป่ากิเลสโลภะโทสะโมหะออกไปจากจิตใจมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะสติเป็นเครื่องมือที่สำคัญสมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีคนญาติโยมนะถามหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย เอาคำถามน่าสนใจถามว่าหลวงปู่ช่วยบอกหน่อยนะ่อยธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ทำให้โลภโกรธหลงมันหมดไปจากจิตใจเนี่ยทายังไงนะหลายคนคงจะสนใจนะธรรมะสั้นๆนะที่ทำให้โลภโกรธหลงหมดไปจากจิตจากจิตใจหลวงปู่ตอบสั้นๆคำเดียวเสียงฟังเสียงดังฟังชัดว่าสติ นะสตินะสั้นที่สุดละนะคาเดียวเท่านั้นสตินี่แหละนะมันจะเป็นตัวที่จะช่วยเป็นเครื่องมือนะในการที่จะขุดรากถอนโคนนะโลบโ ก, กลงไปจากจิตใจเพราะว่าสตินี่นะมันช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมารู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจ แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจเริ่มต้นที่ตรงนั้นนะซึ่งผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความสงบนะเพราะว่ามันไม่มีกิเลสเหล่านี้มาทิมแทงหรือเผารนให้เป็นทุกข์นะแต่พอการดนะูใจอยู่สม่ำเสมอก็จะพบต่อไปว่าไอ้ทุกข์นะความทุกข์ที่แท้เนี่ย เลยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนนะมันมาจากกิเลสเหล่านี้นั่นเองไม่ใช่เพราะว่ามีเงินในกระเป๋าน้อยไม่ใช่เพราะมีรถไม่ไม่ใช่เพราะมีรถแค่คันเดียวหรือไม่มีรถเลยไม่ใช่เพราะมีบ้านหลังเล็กหรือว่าเงินเดือนน้อยไม่ใช่เพราะคําพูดของผู้คนนะแต่เป็นเพราะโลภโกรธลงในใจนี่เอง เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นหรืออุปทานไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าใช้คําต่างกันและเมื่อหันกลับมาดูใจแทนที่จะมัวส่งจิตออกนอกก็จะพบว่าไอ้ตัวการที่แท้ของความทุกข์ใจเนี่ยก็คือ โลภะโทสะโมหะหรือว่าตัณหามาณทิฐิในจิจตใจตัวนี้แหละคือสมุทยัยไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากนะเพราะว่าแทนถ้าเห็นตรงนี้แล้วแทนที่จะไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้เราทุกข์นะทำไมเขาไม่รู้ใจเราเลยนะทำไมถึงทำอย่างนี้ ทำไมถึงพูดอย่างนี้นะเราจะไม่หันไปโทษนะคนอื่นไม่โทษอินฟ้าอากาศไม่โทษเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ว่าจะกลับมาจัดการกับาจิตใจของตัวเองฝึกจิตฝึกใจนะให ให้มีสติให้มีปัญญาหรือว่าใช้สติและปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจแล้วสติไม่ททำให้เห็นนะไปเรื่อยๆนะเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความจริงที่คนเรามักจะมองข้ามไปเห็นความจริงเรื่องรูปนาม นะซึ่งมันถูกบทบังด้วยความคิดปรุงแต่งว่ามีเรามีมีเรามีตัวเราขึ้นมาเมื่อเราเจริญสตินะเริ่มจากการดูกายแล้วมาดูเวทนาดูจิตหรือพูดสั้นๆว่าดูกายดูใจเนี่ยไม่ว่าอยู่ในเอเรียบทใด มันก็จะเห็นว่าแท้จริงเนี่ยมันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามมันมีตั่กายกับใจเวลาเดินเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาตามลมหายใจก็ดีนั่นไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรายกไม่ใช่เราหายใจนะแต่มันเป็นรูปที่เดินรูปที่กําลังยกหรือว่าลมหายใจนะ เวลาทุกเวลาโกรธนะมันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราทุกเวลาคิดไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นใจนะที่คิดใจที่ทุกหรือใจที่มันโกรธอารมณ์พ่อคมเขียนนั่นใช้คําว่าสตินะั้นเป็นตัวถลุงนะถลุงนี่เราใช้กับแร่นะเวลาเราจะแยกแร่ออกมาจากหินนะออกมาจากก้อนหินจะเป็นแร่ดีบุกจะเป็นทองจะเป็นเงินนะ จะแยกออกมาได้มันต้องทะลุงนั้นสติปช่วยแยกออกแยกรูปแล้วแยกออกมาเป็นรูปกับนามนะแต่ก่อนนี่มันเห็นเป็นตุ้นเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแต่พอมีสติปุ้มันก็แยกออกมาแยกออกมาเป็นรูปกับนามไม่มีตัวเรานะไอ้ตรงนี้มันก็ทําให้ปัญญาเกิดขึ้นนะ แล้วก็จะเกิดขึ้นเห็นตามมาในเรื่องใตรักการเห็นความจริงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วางหรือว่าละสิ่งที่ละความยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราเห็นว่าเมื่อเราเห็นว่ามันอะไรก็ไม่เที่ยงรู้แล้วแต่เกิดดับไอ้ความที่จะยึดมั่นว่ามัน ท, ทุกอย่างต้องเที่ยงต้องจรลังนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าลูกกับน้มนี่มันทุกทั้งนั้นนะไอ้ความที่จะยึดมั่นหวังให้ทุกอย่างเป็นสุขให้ความสุขกับเรานะมันก็ไม่มีที่ตั้ง ถ้าเราเห็นความจริงว่ารูป ก, กับนาการกระจายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้ความที่จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะีมันก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การปล่อยวางนะมันเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ซึ่งก็ทําให้จิตเป็นอิสระได้ในที่สุดและความอิสระเหล่านี้มันก็นํามาซึ่งความสงบนะสงบจากกิเลสดนะังนั้นพอสงบจากกิเลสแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นความสงบเย็นอย่างแท้จริง ไม่ได้มีความที่จะอยากครอบครองอยากมีอยากเสพมาเพื่อเพื่อปนเปื้ อ, อ, อตัวปนเปื้อเกิเลกต่อไป <S 2> <S 2> แน่นอนได้ว่าสติเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากและการที่สติจะเติบโตได้ทำงานได้รวดเร็วจบไวก็เกิดจากการที่เรานะรู้จัก มองย้อนสอนนะมองย้อนสอนคือมองเข้ามาดูที่ทใจของเราไม่ใช่มองออกไปนอกตัวต่อพือ้น อ, อันนี้เป็นการทวนกระแสแบบหนึ่งทนะวนกระแสความเคยชินมองย้อนสอนมองย้อนสอนด้วยตาในนะคือสตนะิไอตาเนื้อก็ยังต้องใช้อยู่นะ เพื่อดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันก็มีตาลในที่ช่วยทำให้จิตใจปลอดภัยจิตใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่เรื่องการที่จะทวนกระแสกิเลสเนี่ยนะ อยไปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากเราขอเพียงแต่ว่าให้เรารู้จักมองย้อนสอนกลับมาดูใจอยู่เสมอโดยเพราะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแม้ว่ามันจะทุกข์เพราะเสียงดังทุกข์เพราะคำพูดของใครทุกข์เพราะแดดร้อนทุกข์เพราะอ่าสูญเสียทุกข์เพราะถูกโกงอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจ และตรงนั้นแหละนะและการกระทำเช่นนั้นแหละนะก็จะทำให้พบทางออกจากทุกข์ได้มันต้องทำบ่อยๆนะการที่เรามาเจริญสติเนี่ยก็ เ, ยเพื่อที่จะมาสร้างนิสัยใหม่นะนิสัยที่จะทวนกระแสความเคยชินรู้จักกลับมาตามดูรู้ทัน กายและใจของตัวไม่มัวแต่นะส่งจิตออกนอกไปตลอดเวลาโดยเพราะในเวลาที่เจอทุกในเวลาที่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต่ำ